นะ 6 บทอัลฟุรกรบทอัลฟุรกรเป็นบทมักกียะมี 77 องค์การเริ่มโดยการกล่าวถึงคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งพวกมุชริกีนได้ใช้วิธีการต่างๆนานาในการใส่ไคล้และปฏิเสธว่ามิใช่เป็นองค์การจากพระเจ้าบางครั้งก็กล่าวอ้างว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับอภินิหารของผู้วิเศษบางครั้งก็กล่าวว่าเป็นการอุปโลกของมุฮัมมัดเอง และบางครั้งก็อ้างว่าเป็นมายากลบ้างอัลเลาะห์จึงโต้ตอบพวกเหล่านั้นในการกล่าวอ้างพร้อมกับนําหลักฐานและข้อพิสูจน์มาแสดงว่าอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกหลังจากนั้นได้กล่าวถึงศาลการเผยแพร่ซึ่งพวกมุชริกีนที่ดื้อรั้นเข้ามาทําเป็นเจ้ากี้เจ้าการเสนอแนะว่าผู้จะเป็นรอซูลเผยพระศาลของอัลเลาะห์นั้น จะต้องเป็นมะลักไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วว่าศาลนั้นจะต้องมีมาเฉพาะสําหรับผู้มีเกียรติและผู้มั่งมีเท่านั้นส่วนในกรณีที่รอซูลมาจากคนธรรมดาและผู้ที่จะทําหน้าที่นี้จะต้องเป็นผู้มั่งคั่งและมีหน้ามีตาไม่ใช่คนยากจนอนาถากําพร้าบิดามารดาในกรณีนี้อัลเลาะห์ทรงตอบโต้ข้อกังขาของพวกเหล่านั้นด้วยหลักฐานอันชัดเจน ในหลายองค์การที่กล่าวถึงพวกมุสลิกีนที่ตระหนักถึงความจริงและยอมรับในข้อเท็จจริงแล้วแต่พวกเขาได้กลับไปสู่ความเลวทรามอย่างเดิมเช่นอุกบะห์อิบนูอะบีมุอีดคนผู้นี้ได้เคยรับนับถืออิสลามมาแล้วแต่เขาได้กลับไปสู่ศาสนาเดิมของเขาอีกโดยการชักชวนจากเพื่อนของเขาคืออุบัยอิบนีคอลาฟอัลกุรอานได้กล่าวถึงชายผู้นี้ว่าเป็นผู้อธรรม การดำเนินเนื้อเรื่องของบทนี้ได้กล่าวถึงนบีบางท่านโดยสังเขปและได้กล่าวถึงประชาชาติที่ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดานบีเหล่านั้นตลอดจนการลงโทษและความหายนะที่ประสบกับพวกเขาเนื่องจากการดื้อรั้นและปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลเลาะห์เช่นกลุ่มชนชาติของนบีนูห์อาคสมุทรชาวอันซอรพวกลูธ บทนี้ยังได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงอานุภาพและความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมทั้งความประหลาดและสิ่งที่แสดงถึงความมหัศจรรย์ในการสร้างจักรวาลของพระองค์ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงอานุภาพของอัลเลาะห์และบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้จบลงด้วยคุณลักษณะของอิบาดุรรอมมานคือบ่าวของอัลเลาะห์ ละสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่พวกเขาอันหนึ่งมาจากการมีบรรญาติที่น่าสรรเสริญสมควรได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ในสวนสวรรค์ชื่อของบทบทนี้ถูกใช้ชื่อว่าบทอัลฟุรกอนทั้งนี้เพราะอัลเลาะห์ทรงกล่าวไว้ในบทถึงคัมภีร์นี้ซึ่งพระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่บ่าวของพระองค์คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นับเป็นว่าเป็นความโปรดปานอันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติทั้งปวงเพราะมันเป็นดวงประทีปอันจรัสและแสงสว่างอันชัดแจ้งซึ่งอัลเลาะห์ทรงแยกแยะเห็นอย่างชัดแจ้งระหว่างความจริงกับความเท็จและแสงสว่างกับความมืดและการกุฟรกับการอีมานดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะถูกขนานนามว่าบทอัลฟุรกอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตบารักัลลซีนัซซะลัลฟุรฺกอนอะลาอับดิฮีลิยะกูนะลิลอาลามีนนะซีรอความจำเริญยิ่งแด่พระองค์ผู้ทรงประทานอัลฟุรุกอรแก่บ่าวของพระองค์มุฮัมมัด เพื่อเขาจะได้เป็นผู้ตักเตือนแก่พวงบ่าวทั้งหมดอัลลซีละฮูมุลกุสสมาวาติวัลอฎดวะลัมยัตตะฮิดะวะลัมยะกุลละฮูชะรีกุนฟิลมุลกวะคอลักะกุลละชัยอ์ฟะกดดะระฮูตักดีรันสำหรับพระองค์เป็นผู้ครอบครองบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและพระองค์จะไม่ตั้งผู้ใดเป็นพระพุทธ وَلِصَاحِبِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْمُلْكِ وَقَدْ أَوْحَى لَهُ كُلَّ شَيْءٍ وَأَمَرَ بِأَنْ يَكُونَ كَمَا هُوَ فِي الْحَالِ وَقَالَ: وَتَخْذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا พวกเขามุชริกิได้เคารพบูชาพระเจ้าอื่นๆจากพระองค์พระเจ้าเหล่า وقال الذين كفروا ان هذا الا إِنْ الافتن تراوه واعانه عليه قوم اخرون لقد جاء ظلم وزورا لبندามผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า แท้จริงอัลกุรอานนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเรื่องโกหกที่มุฮัมมัดได้กุขึ้นเอง และกลุ่มชนอื่นๆได้ช่วยเค้าในเรื่องนี้ความจริงพวกเค้าได้นํามาซึ่งความอายุติธรรมและการโกหกวะกาลูอสาติรุลเอาลีนักตะตะบะฮาฟะฮียะตุมลาอะลัยฮิบุกเราะตันวะอศีลาและพวกเค้ากล่าวว่าอัลกุรอานเป็นนิยายของคนสมัยก่อนๆได้เขียนขึ้นแล้วถูกธรรมะอ่านให้ขึ้นใจ ทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นอนซะละฮุลละซียะอฺลามุสซิรฟิสสมาวาติวัลอัรฎิอินนะฮูกานะฆอฟูร็อรฺเราะฮีมาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดงัวผู้ทรงรอบรู้ความลับธรรมชาติชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นผู้ประทานมันลงมาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอวะกอลูมาลี <arrested> رب رسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا لقد قالوا ما علاقة بالرسول هذا ياكل الطعام ويدور في السوق لماذا لم يرسل له ملك ليكون معه منذر او يلقى اليهكاز او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا او من كبار سمبطถูกโยนมาให้เขา หรือให้เขามีสวนแห่งหนึ่งเพื่อเขาจะได้กินสิ่งที่ที่มีอยู่ในสวนนั้นและบรรดาผู้อะธรรมกล่าวขึ้นว่า พวกเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามผู้ใดนอกจากชายผู้ถูกอาคมเท่านั้นโอ้ดูเถิดพวกเขาได้เปรียบเปรียบตัวอย่างต่างๆแก่เจ้ามูฮัมหมัดอย่างไรพวกเขาจึงหลงทางและพวกเขาก็ไม่สามารถจะพบทางแห่งความจริงได้ سَأَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ແລະສົງໃຫ້ເຈົ້າມີປະສາດຫຼາຍ ຫຼັງ. બલ્ກະ ﺫະ ບິສ-ຊາອະ ແລະອະອະຕະດະນະລິມະນຄະດະບະ ບິສ-ຊາອະ ໄຊຣາ. ແຕ່ວ່າພວກເຂົາປະຕິເສດວັນອະວະສານແລະເຮົາໄດ້ຕຽມໄຟອັນຮ້ອນແຮງໄວ້ສໍາລັບຜູ້ປະຕິເສດວັນອະວະສານ ແລ້ວ. ອີດາຣະອະຕຸມມິນະມະການບະອີດະສະມິອູລະຮາຕະກິຍດະ ວະຊະຟິຣາ. เมื่อนรกยานนําเห็นพวกเขาจากที่ไกลๆพวกเขาจะได้ยินเสียงเผาไม้และเสียงเดือดพล่านของมันวะอิซาอุลกูมินฮามะกานันฎัยกัมมุกอรินดะอูฮุนาลิกซูรอะเมื่อเขาถูกโยนลงไปในสถานที่แคบๆในสภาพที่ถูกมัดมือติดกับลําคอณที่นั้นพวกเขาจะวิงวอนขอความพินาศให้แก่ตัวเขาเอง لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً ودعوا ثبوراً كثيراً. nay วันนี้เจ้าอย่าได้วิงวอนขอความพินาศเพียงครั้งเดียวแต่จงวิงวอนขอความพินาศหลายๆครั้งเถิด قل <coughs> ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء กล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าสิ่งนั้นดีกว่าหรือสวนสวรรค์อันชั่วนิรันดร์ที่บรรดาผู้ยำเกรงถูกสัญญาไว้ว่าสําหรับพวกเขาจะได้รับการตอบแทนและเป็นบ้านปลายที่ดี